ท่านสาธุชนที่เคารพเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสราร์ที่21ตุลาคมเอกสารที่แจกจ่ายให้วันนี้มีสองชุดชุดแรกนั้นเป็นชุดที่กล่าวซึ่งจะไม่บรรยายและไม่อธิบายแม้จา่ว่าเป็น เอกสารที่อ้างขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานของการอธิบายเรื่องขณะจิตขณะรูปว่าเรื่องขณะจิตขณะรูปนั้นหรือเรื่องความเกิดดับนั่นเองแหละเพราะวม่าจิตมีความมีขณะก็แปลว่ามีความเกิดดับพราะความเกิดดับนั้นเกี่ยวข้องกับขณะขณะก็คือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งก็ได้คัด เนื้อความในพระไตรปิฎกบ้างในตกรถาบ้างที่ถือเป็นหลักฐานที่ควรจะรับทราบมาแจกให้ที่จะใช้เป็นหลักอธิบายในครั้งนี้เป็นเอกสารชุดที่สิบแล้วก็ความจริงนั้นจะมีชุดที่สิบเอ็ดด้วยซึ่งผู้จัดทาเป็น อ, อีกคนหนึ่งนะยังมาไม่ถึงเนื ไม่ทราบว่าโดนมรสุมน้ำท่วมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคงจะตามมาที่หลังนะคุณมานิตกิติปานิตจะเอาเอกสารชุดที่สิเ็ดมาให้คือแต่เดิมมันก็ตั้งใจว่าจะพูดให้จบในเรื่องที่เกี่ยวกับเตีรนปริญญาในวันนี้แต่ผมก็ไม่ไม่กล้าแน่ใจว่าจะจบหรือเปล่านะครับเหลืออีกสองครั้งจะได้พูดเรื่องปรารณาปริญญาให้เตียงพอแก่ ปริมาณของเนื้อหาเท่าที่ควรจะพูดในตอนนี้เราดูเอกสารชุดที่สิบซึ่งเป็นเอกสารที่ผมคัดข้อความในทางหลักฐานเอามาเรียงให้ง่ายเป็นสำคัญแล้วก็มีบางประเด็นก็เป็นประเด็นที่เป็นการสรุปนำด้วยสำนวนที่ถือเอาสาระเป็นสำคัญนะฮะอย่างในประเด็นที่หกเนี่ยเป็นเนื้อความที่ผมจัดเรื่อเรียงขึ้น จากเนื้อความที่เห็นว่าข้อความในคำพีนั้นค่อนข้างจะเข้าใจยากก็เลยต้องประมวลเป็นประเด็นเป็นจำนวนของผมสั้นๆเป็นหมวดเป็นหมู่เอาไว้ดักหน้าไปก่อนในประเด็นที่6กเอาละครับเราย้อนกลับมาตั้งต้นกันที่ยานที่เป็นปีรณะปริญญาเนี่ยความจริงมีสองยาน กำหนดตั้งแต่ยานที่สามสัมมณชนญาณซึ่งผมก็ข้ามข้ามปไปก่อนคือไปสัมมสนญาณเนี่ยเป็นยานที่เห็นความเกิดดับในลักษณะสังเกตย่อยๆก็ที่แรกเรวก็จะออามาอธิบายโดยตัวเรื่องจอะมากไปก็เลยกระโดดข้ามไปพูดในทางรายละเอียดนะะไอ้ทางย่อเนี่ยก็พูดโดยสังเกตแล้ว ในทางรายละเอียดก็อยู่ในยานที่สี่ซึ่งถือว่าเป็นการเห็นความเกิดดับอย่างแท้จริงอย่างาถึงจุดสมบูรณ์ของการเห็นความเกิดดับที่จะเป็นปัจจัยแก่การอบรมปรารานาปริญญาอย่างเป็นอธิการสืบต่อไปในยานที่ห้าไปโดยลาดับดังนั้นจึงได้สแสดงอุทยพยัญานเป็นรายละเอียดของตีรณปริญญา ที่เรียกว่าอุทยพยายานเนี่ยชื่อก็บอกอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าเป็นยานอย่างรู้ความเกิดดับเพราะอุทยะหรืออุทโยแปละว่าเกิดแล้วก็พยะหรือวะยะแปละว่าเสื่อมหรือแปละว่าดับทั้งเกิดและทั้งดับ ในภระไตรปิฎกในตักถาเองก็ใช้หลายสํานวนบางแห่งนั้นก็เรียกว่าชาติมานีเรียกว่าชาติชาติขณะแล้วว่าขณะเกิดแล้วก็ว้ยะบางครั้งก็เรียกว่าพังคะขณะหรือมรณะขณะในบางแห่งก็โปรดได้รับทราบว่าถ้าเราพบคำว่าชาติคำว่ามรณ ะ, อ, ะอย่าไปนึกว่าเป็นคําคที่กล่าวถึง การได้อัตฐ า, าพใหม่เป็นชาติและการเคลื่อนจากอัตฐ า, าพเก่าเป็นมรณะเสมอไปบางทีท่านใช้เป็นปรมัตถวหารก็หมายถึงชาติของรูปของนามเป็นขณะขณะแล้วก็พังคะหรือมรณะของรูปของนามเป็นขณะขณะดังนั้นท่านจึงแบ่งว่าเป็นเป็นชาติโดยขณะเป็นชาติโดยการสวยอัตาภาพใหม่อย่างการพูด อย่างแยกความหมายของถ้อยคำต่างๆไว้ในที่อื่นๆนะในนี้ไม่ได้มาพูดถึงตรงนั้นอ่ะก็ดูเนื้อความที่อธิบายที่คัดเป็นหลักฐานบอกไปแล้วด้วยนี่นะครับว่ามาจากที่ไหนนะพระไตรปิฎกเล่นไหนข้อไหนอันนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเราพูดถึงเนื้อหาว่าไ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำในพระไตรปิฎกท่านว่าปัญญาในการเห็นบาลีใช้คําว่าอนุปัสนา คือคำว่ายานเนี่ยบางครั้งท่านเรียกว่าอนุปัสนาหรือบางครั้งเรียกวิปัสนาคือคำเรียกนนะเยอะแต่สำหรับในที่นี้ในที่ที่คัดมาเนี่ยท่านเรียกว่าอนุปัสนาก็แปลว่าแปลเอาความว่าเป็นชื่อของปัญญาในการพิจารณาอนุนนี้นก็แปลว่าพิจารณาปัสนาแปลว่าเห็น ซึ่งเป็นชื่อของปัญญานี่ใ น, ใ น, ในพระไตรปิฎกพูดไว้อย่างนี้อนุปัฏนาก็คือยานนั่นเองครับคำหลังนั่นแหละเรียกอนุปัสนาและข้อความต่อความแปรตปรนแห่งธรรมทั้งหลายบาลีเรียกว่าวิปรินามะธรรมธรรมคือความแปรโปรนหรือธรรมที่มีความแปรปรน ความจริงคำว่าวิปปลินามะเนี่ยมันแปลว่าแยกเป็นสองส่วนแยกเป็นสองเอาไว้แยกเป็นองค์หมาย ว, าว่าการรูปและนามเป็นแต่แท่งเดียวส่วนเดียวไม่เชื่อว่าเป็นวิปปลินามะนั้นตรงนี้นะันดีกาท่านพญายาจะบอกว่าวิเนี่ยแปลว่าสองเป็นคําแสดงความขาดตอนจากหนึ่งหน่วยเป็นสองหน่วย แต่มันไม่ใช่แค่สองหน่วยหรอกครับหมายก็ว่าพอได้พอแตะพอแยกจากหน่วยแรกมาเป็นหน่วยที่สองคือหนึ่งมาเป็นสองแล้วเนี่ยไอ้สองนับหนึ่งใหม่ก็แยกออกไปเป็นสามสามของสองก็เป็นสองของอ่าเป็นสองของห น, นึ่งหนึ่งในสองนั่นเองก็หมายว่านามรูปเกิดแล้วก็จบแล้วก็มีขณะที่สองเกิดขึ้นคือขณะที่หนึ่งเกิดขึ้นดับไปขณะที่สองก็เกิดขึ้น ขณะที่หนึ่งใหม่เกิดขึ้นดับไปขณะที่สองก็เกิดขึ้นความที่มันแยกเป็นสองเป็นจากหนึ่งเป็นสองจากหนึ่งเป็นสองจากหนึ่งเป็นสองเนี่ยเรียกว่าวิปริณามเราแปลเอาความง่ายๆกันว่าแปรปรนความแปรปรวนเรียกว่ิปริณามะคําว่าวิปริณาม ะ, าามะจึงเป็นชื่อของความดับกับความเกิด พราะหนึ่งดับไปในหนึ่งสองก็เกิดขึ้นเมื่อสองเกิดขึ้นนับเป็นหนึ่งใหม่สองของหนึ่งที่สองก็เกิดขึ้นแปรปลวนจากดับไปเกิดจากเกิดไปดับเรียกว่าวิปริณามะเพราะฉะนั้นวิปริณัมะจึงได้ความว่าคือความเกิดและดับนะหนะรับในทีน่นี้ความเกิดและดับนเองเรียกว่าวิปริณามะ นั่นี่อย่างว่าเราพยายามแบ่งถ้อยคําของท่านเป็นตอนๆเพื่อให้ดูความหมายให้ชัดเป็นส่วนๆไปเป็นบทๆไปเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านก็กล่าวสู่ต่อไปว่าอันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าคือความเกิดดับเมื่อสักครู่นี้ที่อุทยพยยญห์เห็นหรืออุทยพยัญหปริา น, นาเห็นเนี่ยเห็นความเกิดดับที่เป็นปัจจุบัน ความเกิดดับเนี่ยมีทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตความเกิดดับใดที่ผ่านไปแล้วความเกิดนั้นเป็นอดีตความเกิดความดับนั้นเป็นอดีตความเกิดใดที่ยังไม่เกิดความเกิดนั้นเป็นอนาคตความดับใดที่ยังไม่ดับความดับนั้นก็เป็นอนาคต อย่างนี้ไม่ได้เห็นอดีตไม่ได้เห็นอนาคตแต่เห็นปัจจุบันและปัจจุบันในที่นี้ท่านพูดถึงจุดเข้มข้นว่าปัจจุบันโดยขนาดเล ย, เลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้กันผมเชื่อว่าการบรรยายเรื่องการเห็นความเกิดดับนี้จะเป็นกุญแจสาคัญที่ไขข้อข้องใจเหมือนอย่างที่ผมเคยคลุมเครือมานาน ทีในพระใจดิดกเช่นในสติปัฏฐานสูดพูดพูดแล้วมึงไอเราเนี่ยเราพกความเข้าใจอยู่ด้านเดียวว่าเกิดดับต้องหมายถึงกระโดดกันกนะแล้วพอไปอ่านพระธรรมพิดกคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดด้วยความเกิดดับอธิบายไปทําไมมันไม่โกงกับที่ใจเรากลืนจะเข้าใจอย่างนั้นกลายเป็นเรื่องความเกิดอีกแบบหนึ่งเรื่องว่าเกิดโดยปัจใจจากการเรียนรู้นเนี่ยทําให้เราเข้าใจชัดตรงนั้นขึ้นได้อย่าง แน่นอนเลยว่าอ๋อความเกิดดับนี่มีสองอย่างและยานสี่นั้นเห็นความเกิดดับสองอย่างจึงจะครบกระบวนการของการละกิเลสไอตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญที่ผมจะต้องพูดให้รับทราบไวในครั้งนี้ตรงนี้เราก็ทิ้งไปก่อนผ่านไปก่อนและท่านก็กล่าวต่อว่าชื่อว่าอุทยปยาญาณ คืออนุปัสฐานที่เห็นวิปริณามาทมในขณะปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าอุทยอุทยรพยานุปาานัฏฐนาญาณไปเรียกให้ชื่อเป็นชื่อยาวเต็มอย่างนี้แปลว่าญาณตามเห็นความเกิดดับญาณตามเห็นความเกิดดับหรือญาณกำหนดเห็นความเกิดดับนั่นเองเรียกว่าอุทยรพยานุปัสฐานะญาณแต่ที่เราเรียกกันในภาษาทั่วไป อย่างในวงการยุทธศานาบอกไปถึงยานนี้เราก็เรียกสั้นกว่านี้ก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าในตาราบางทีก็เรียกอย่างที่เราเรียกเราก็เห็นว่าอันไหนสั้นพอสะดวกปากปากก็เลยนิยมเรียกอย่างนั้นเรียกยานที่สี่ว่าอุดทยักทยักยานใช่ไหมฮะเราก็เรียกกั้นโดยชื่อนี้โดยนิยมแต่ในตารานั้นเรียกแบบนี้บางเรียกยาวกว่านี้บ้างก็เป็นในเดียวกันนั่นเองยานหนึ่งทีนี้ในประเด็นที่สองที่ แต่จะกล่าวต่อไปเนี่ยเป็นการแสดงนิยามของความเป็นปัจจุบันกันะว่า่ม่เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายอย่างเหลือเกินปัจจุบันบางอย่างเป็นสมมติเปัจจุบันปีปัจจุบันนี้สมมติกว้างกวางกวงก็มีแคบลงมาแต่ความแคบของปัจจุบันเนี่ยเช่นว่าก้าวปัจจุบันพองปัจจุบันยุบปัจจุบัน หายใจออกปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันยกปัจจุบันยย่างปัจจุบันคุปปัจจุบันเยียดปัจจุบันปัจจุบันอย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจุบันโดยขนาดถูกไหมยังหยาบยังคือไม่จัดว่าเป็นอารมณ์เข้าถึงของอย่านนี้ย่านนี้ต้องเข้าถึงปัจจุบันขนาดถ้าถามว่าขนาดโดยอะไรขนาดคืออายุที่สั้นที่สุด ามงรูปขอ ง, ของนามสร้างอยงที่เอกสารชุดที่เก้าบอกเลยแล้วครับแล้วก็อย่าถามว่าไปเห็นได้ยังไงคนป ฏ, ป ฏ, ปฏบิบัติเห็นได้วิธีเห็นในพระพุทธศาสนาเห็นได้กันแล้วกันถ้าใครเห็นแล้ว ก, ก็เฉยไว้ผมพูดให้คนที่ยังไม่เห็นฟังมอให้เขาฟังตอมให้เขาฟังให้สมัดีหน่อย เพราะฉะนั้นในคำพี์ที่มุงในติกาหนึ่งเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าปัจจุบันขณะนี่ผมก็ไม่ถึงกับคัดคําโงท่านมานะเปนการาพูดโดยความปัจจุบันขณนะแปลว่าขณะที่ปรากฏจําเพาะหน้า่าคําว่าขณะมันก็คือหน่วยหน่วยเนี่ยหน่วยลูกหน่วยนามเนี่ย ่ากำหนดยังไงครับกําหนดเกิดกับดัดเป็นหน่วยหนึ่งใช่ไหมเหมือนเรานั่งนั่งเนี่ยทำไมเรานับคนถูกเพราะเรากําหนดด้านเบื้องบนเบนืบ้องล่างในด้านตัดตอนก็ <c oughs> เรียกว่าปริเชนลูกเป็นตัวกำหนดหน่วยนิ้วมีห้านิ้วทาไมถึงกําหนดได้ว่าห้านิ้วเพราะมีปริเชนลูกเป็นตัวตัดตอนนี่ตั้งรูปทีนี้ทางนามเนี่ยมันไม่มีปริเชนลูกมันไม่มีช่องว่าง <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมา เพราะฉะนั้นไอ้จุดตัดหน่วยของจิตจุดตัดหน่วยของขนาดรูปเนี่ยจึงต้องเอาขนาดเกิดกับขนาดดับเป็นตัวเป็นจุดตัดไม่ใช่บนไม่ใช่ล่างไม่ใช่ซ้ายไี่ใช่ขวามันก็มีแต่หน้าข้างหลังนะเขาพูดเป็นภาษาวัตถุก็มีทั้งหน้าหลังเป็นจุดตัดนั่นแหละคือขนาด อา่าคําว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผู้ศึกษาใหฟังนะมันมาจากคาว่าปฏิซึ่งเ ป, ป, ป, ป, ป็นรูปสาษาในทางบรับาลีเป็นรูปคําอุปสรรคแปลว่าเฉพาะหรือจำเพาะอย่างนนโนโนโบราณ อ, อุปปันนะอีกคํานึงคืออุ ป, ปันนะปฏิบวกอุ ป, ปันนะอุปปันนะแปล ว, ว่าเกิดขึ้นหรือปรากฏ ตติปปั น, นะต่อการเข้ารูปแปลงเป็นปัจจุปันนะปัจจุปันนะอันนี้เราก็ไม่ได้ใส่รูปเต็มอย่างในบาลิทีทีเดียวนะเป็นํำนวณแบบไทยๆว่าปัจจุบันเนี่ยแปลว่าปรากฏเฉพาะเฉพาะอะไรเฉพาะหน้าไอ้คำว่าหน้าก็หน้าไป้งั้นแหละครับ แต่ไม่พูดแล้วก็เราก็นึกเป็นหน้าคนอย่างสมมติว่าเราไปเห็นอะไรนี่อยู่ตอนหน้าเนี่ยแสดงเขายังอยู่เป็นปัจจุบันของอยู่ตอนหน้าก็ยังปรากฏเป็นปัจจุบันอยู่ของนั้นยังอยู่มีจริงทีนี้หน้าตรงนี้ถามว่าหน้าใครออกว่าหน้ายานที่เข้าไปกําหนดรู้ไม่พูดอย่างบรรยากาศนิพพานานะหน้ายานที่เข้าไปกําหนดรู้ ถ้าเป็นปัจจุบันอื่นที่เรายกมาพูดอย่างเป็นวิปัสสนาก็เป็นเรื่อง อ, อยู่ต่อหน้ากิเลสบ้างเช่นเสียงนั้นกำลังด่าอยู่เข้าหูเราอยู่เป็นเสียงปัจจุบันปรากฏอยู่ต่อหน้ากิเลดซึ่งกำลังโกรธอยู่ปัจจุบันอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์นะแม้อดีก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันแม้อนาคตที่ปรากฏเก่ ิที่ทำกิเลสกไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่นี่คนทํำวิปัสสนาปัจจุบันนั้นเป็นประโยชน์ต่อการอย่างรู้ต่อการล้างกิเลสด้วยทีนี้พูดถึงบทนิยามเมื่อกี้รุดถึงคำแปลบทนิยามก็คือนิยามว่าสภาวะธรรมที่ถึงอยู่ซึ่งข่ะซึ่งอันนุขณะทั้งสามมีนิยามให้มันได้ความชัดเลย คำว่าอนุขนาดหมายถึงขนาดย่อยของรูปของนามขนาดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วลันิวลันมิวมือเดียวแสนกรดขนาดนั้นแหละมันเร็วจีขนาดนั้นทุงจะเร็วจีขนาดไหนก็ตามมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เอ้เอเ อ, เอนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ย ผมกำลังจะถามว่านามหนึ่งนี่น้ำหนึ่งนะกำลังเกิดเป็นปัจจุบันนะเกิดนั้นเป็นปัจจุบันไหมเป็นปัจจุบันกำลังตั้งอยู่ความตั้งอยู่นะั้นเป็นปัจจุบันไหมเป็นปัจจุบันกำลังดับเป็นปัจจุบันไหมเป็น เ, เราก็เสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้อุป ก, กรณ์เขียนไม้ก็เลยต้องพูด คิดเอาเองว่าพาไว้วกันราเขียนเป็นรูปวงกลมขึ้นมารูปก น, นี่ยแล้วก็ข้างหน้าเป็นอู ป, ปาทาตรงกลางเป็นทีติตรงท้ายเป็นพังค์ขั้ความเป็นปัจจุบันของนามรูปของรูปหรือนามขณะนั้นนะ่ะขณะหนึ่งนั้นนะถือว่าถ้ายังไม่พ้นขณะ ด, ดับไปแม้ว่ากําลังดับอยู่ก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันนะ เราอันนี้เราคิดเหมือนกับตัวเราตัวเราเนี่ยตัวเราขณะนี้เป็นปัจจุบันไหมเป็นปัจจุบันนะจนกระทั่งเรากําลังจะเข้าสู่มรณากันนการมรณะกันวิถีคือรุ่นแม่กำลังจะตายอยู่ในอาการของคนที่กําลังทํำกาลกริตุจุติแม้ว่าจุติกําลังปรากฏเราเป็นอดีตหรือยังยังนะ ทำไมถึงอย่างเพราะเรายังไม่ตายจริงถ้าจุติจิตนั้นผ่านพังคะขณะไปเมื่อใดเมื่อใดก็คือเมื่อปัดอุปาท่าขณะของปฏิสมทิจิตปรากฏจึงชื่อวัดเป็นอดีตครับเป็นอดีตหลัดเลยเชื่อถ้ายังไม่ถึงอุปาท่ขณะของปฏิสมทิยังถือว่าเป็นปัจจุบันอยู่ เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเห็นรูปหรือนามหน่วยหนึ่งขนาดเกิดก็ชื่อว่าเห็นปัจจุบันขนาดดับก็ชื่อว่าเห็นปัจจุบันขณะตั้งอยู่ก็ชื่อว่าเห็นปัจจุบันของรูปของนามนั้นนี่หมายความอย่างนี้เพราะฉะนั้นในพระธรรมดุษ เล่นสามที่สี่เนี่ยจึงได้นิยามความาสภาพว่าทำใดที่ถึงอยู่ซึ่งขณะย่้อทั้งสามชื่อว่าปัจจุบันก็คือว่าสิ่งที่ที่จะได้ชื่อว่าเห็นปัจจุบันในรูปนามนั้นต้องเห็นตอนเกิดหรือตอนตั้งอยู่หรือตอนดิดไปยังไม่พลากจึงจะชื่อว่าปัจจุบัน นี่ท่านว่าไว้อย่างนี้ไม่นานุกนาก็จะเกาปาชาพิติตบฟังค้าอย่างที่เราพูดถึงกันในวงการพิธามทั่วๆไปจะเอาไปงา น, นว่ า, าเลยตรงนี้ไปนี่คือนิยามปัจจุบันคราวนี้มาพูดขยับไปอีกครับเป็นข้อความในอัตถกถาที่อธิบายยานนี้ในปฏิสัมพิธามท่านว่าท่านกาลังจะอธิบายถึงการ มนัสิการอุทยะพยะหมายถึงการมนสิการความเกิดความดับของรูปของนามการมนสิการหรือการอย่างเห็นความเกิดดับมีสองระยะสระยะนี้ผมพูดถึงยานสี่นะยานสี่มีสองระยะระยะแรกนั้นคือระยะเรียกว่าเห็นอย่างสังเขปก่อนและจากนั้นจึงเห็นพิสดาน มันก็แปลกไอ้คําว่าพิสดารกับสังเขปเนี่ยบางทีบางควา ม, มความหมายของท่านก็ไม่เคยตรงในที่เราเราพูดเรื่ว่าพิสดารสังเขปอย่างอย่างประสบการณ์นอกภาวนาเช่นเราบอกว่าคนนี้ เ, เรียบร้อยดีเราเรียกว่าเป็นคนมีพฤติกรรมพิสดารนะไม่พิสารคนไหนมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยมากเท่าไหร่แล้วว่าบิฐาน วิฐานก็คือภาษาบาลีนั่นเองนะมันแปลว่าพิษณ์นต่วิษานมันเสียไปแล้วคำนี้เอามาใช้ไม่ได้แล้วผมก็เลยไม่กล้าใช้บางทีถ้าใช่อย่างรูปบาลีนี่บอกว่าการที่เจรนาอุตยัพยะอย่างสังเขปสังเขปแต่อยังวิฐานเดี๋ยวพอพูดวิฐานก็คนรไม่มาพังหาว่ามันกลายเป็นตลึงเป็นต่างไปลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือเราพูดกันอย่างธรรมดาเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็นิยมว่าถ้าพิสดานมันต้องอย่างที่ว่ามันต้องหลากหลายอย่างว่่าอยางนี้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นพิสดารของท่านคือเห็นแคบเข้าคือมึ่งไปในทางลึกไม่ใช่มึ่งไปในทางกว้างนะมึ่งไปในทางลึกลึกโดยอารมแต่กว้างโดยใ่อันนี้ท่านต้องต้องติดการบ้านเรืงคำบ้านม่ กับอารมณ์ที่พูดบ่อยๆใช้สลอดตลอดรายการบรรยายแลลวครับว้างโดยในลึกโดยอารมณ์แต่โลกเนี่ ย, ยนิยมกันว่าพิสดาล น, นั้นคว้างโดยอารมณ์แต่ตื้นโดยในพูดไปผมต้องมองหน้าไปจำเป็นิรวอย่จะต้องพูดคำว่าในคาว่าลมอีกซ้ำอีกหรือเปล่านะ จะดูแล้วคงไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำต่อ ต, อ, ตอปรับได้ทุกคนคืออันนี้ผมก็ เ, เกิยมาในโดยเฉพาะในชุดเกิดจะมีอธิบายไว้โดยใหม่เลยแต่นีนมีอธิบายฟังคนเก็นงนี้ว่าการที่คนไปเห็นความเกิดดับมูต่อหน้า ต, ตาเนี่ยแค่เห็นขณะ น, นี้ขนาเดียวเนี่ยอรียสัจ ส, สี่เข้า ปฏิจจสมบทเข้าในสี่เข้าในสีทน่ท่านยังไม่รู้นะตอนนี้เืออะไรแต่ว่ามันมีอยู่ในเอกสารและในนี้เขียนต่หัวข้อไว้แต่ว่าไม่ได้ขยาความและอื่นเนี่ยเข้าหมดเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมบอกว่าเห็นนิดเดียวแต่เกิดพลังความรู้แสงอยู่ในหัวใจเนี่ย เต็มเปีเ่ยมเพราะนั้นอ น, นุน่ก็เหมือนกับสัพพัญญุตญาณของพุทธเจ้าเนี่ยตอนบรร ล, ลุน่ะได้จิตมาดวงเดียวนะครับไม่บอกนะอะระหะตมัมมะขจิตของพุทธเจ้านี่คือถือว่าเป็นสัพพัุตญาณจิตชวนลัดนิ้วมือเดียวนะ่ะทอนออกเป็นแสนกน้อนขณะขนาดหนึ่งคือสัพพยุตญาณจิตแล้วก็ถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มีวิภานเป็นอารมณ์อย่างเดียว แล้วหลังจากนั้นได้ไหนเขาเรียกว่าท่านประกาศว่าเราจะารูถามว่าตอนบรรลุอราธมกจิตเนี่ยตอนนั้นอะไรโผล่มาบ้างไม่โผล่สัก อ, อย่างเดียวใช่ไหมกลายเป็นว่าตอนบรรลุคือตอนดับไม่เห็นอะไรนอกจากนิพานนิพานก็กตกตุนยตาแต่ท่านทำไมถึงพูดเมื่อเทศนาว่าถ้าเราไม่รู้ขันอายตนะธาต นะอย่างที่เราอ่านวันสูดุมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ขันความเกิดของขันความดับของขันเป็นต้นถ้าเราไม่รู้ชาติไม่รู้ชะลามอนะถ้าเราไม่รู้ทุกพูดได้เป็นร้อยออไม่ใช่พูดเหตุนาได้เป็นร้อยเป็นพานเรื่องนั่นแหละท่านเอาไหนอมาพูดหมายถึงได้พ้พลังลึกเนี่ยแล้วก็ได้ศักยภาพเกิดมา แสดงทาได้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เรียกว่าคนเมื่อไปเห็นความเกิดดับในขณะหนึ่งเท่านั้นแหละเหลียวเดียวนั่นแหละนึ่งนึกแค่นั้นแหละแต่ได้ในมหาศาลติดออกมาพอพูดถึงติดจากคนผู้นี้เข้าใจ ผู้ศึกษอริยาศาสตร์เข้าใจเข้าใจลึกซึง้งกว่าอย่างเราในประเภทเรียนพิษอันนี้จะว่าเราหรือจะว่าเราก็ต้องพูดว่าเทียบ ก, กับคนที่เข้าเข้าลึกเป็นว่าถ้าอเราเรียนปริยัติเรียนที่ศาลาวัดติจจะก็เรียนหมดแล้วจําได้ด้วยอริยศาสตร์ก็เรียนหมดแล้วจาได้ด้ว ย, ยาาเพราะแต่ดีดกทุกหน้าอ่านจบแล้วแต่ไม่เคยเห็นความเกิดดับสักขนานีเกิดไปเจอคนนี้ก็ได้ญาณที่สี 4. กว่าผมก็ไม่รู้อะไรมากแล้วครับแค่เห็นความเกิดดับเดือเดือดเราโงสู้เราไม่ได้เราเรียนก้าหรือเราแต่จะพูดไปเรียนมากี่ปีสิบปีเทียบกันไม่ได้เลยที่อันนี้นเราไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดเองใช่นะไม่อย่างนั้นพระโพธิละไม่เป็นไดหลานเปล่าไม่อย่างนั้นไม่สงสารว่า คนที่มีอายุตั้งร้อยปีตอนจริงนะเราก็ต้องแต่นว่าอายุร้อยปีทรงจําพระด้ยุดกได้สอนพระดยุดกจบไปแล้วสองเที่ยวเอา่าสามเที่ยวก็ได้อ่ะก็ราคาสู้คนที่เห็นความเกินดับชัว่วประเดี๋ยวเดียวมีชีวิตอยู่ในวันเดียวไม่ได้ซืออย่างนั้นถามว่าไม่ไม่ได้ตรงไห น, น ก็ต้องพูดอย่างเมืเ่อกี้ว่าเขาได้แก้สารพันของความเข้าถึงธรรมเราไม่ได้แก่แต่เราเดาได้จะเทียบก็ไม่จะได้แก้ได้หอได้หีบ ห, ห่ อ, อก็ก็ต้องยังไงก็ต้องเรียนตามที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่มาบอกให้เลิกเรีย น, นยหรอในจะหาูดกายูมาแล้วาบอกให้เลิกเรียนจริงๆมันต้องสองอย่าง แต่เราก็รู้ราคาตีค่าถูกว่าอะไรเป็นกล่องอะไรเป็นแก้วเรียนไปเพื่ออะไรนะหรือใครไปได้มาแล้วก็เลยมาห้ามคนเรียนนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันแตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอย่างงั้นไม่ได้ห้ามถ้าบทที่ละว่าเลิกทรงจําไอ้ที่จํานั้นลืมให้หมดที่สอนนั้นเลิกให้หมดท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเอานะ แต่ ว, ว่าโดยสังเกตก่อนมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ชวนอึดหนักที่ผมอ่านเป็นท่อนๆไปเนี่ยนะแต่อยากจะให้เป็นหลักเป็นฐานเพราะว่าผมหวังใจว่าอย่าพูดให้คนคงจะเรียนฟังด้วยแล้วก็ถือว่าคนที่มานั่งนี่เป็นคนคงจะเรียนด้วย เรียนอย่างมั่นคงด้วยคงแก่เรียนด้วยแล้วก็มีท่านที่คงแก่เรียนเป็ครูบาอาจารย์ท่านตามฟังเทพอยู่ก็มีเพจะได้เป็นประโยชน์ไปถึงท่านเหล่านั้นในเชิงหลักธรรเพราะว่าซึ่งเหล่านี้มันเป็นข้อขัดแย้งในวงการด้วยนะก็ลเลยอยากจะพูดว่าให้แั่ป่าเขา ฟังได้ถามว่ามีเป็นกระเทตุกรมยจตาปุจฉาของท่านอาจารย์กำลังจะไขความปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปลวนแห่งธรรมทั้งหลายอันปรากฏขึ้นจำพาะหน้านั้นเป็นอย่างไรที่เราว่าบทนิยามมาในประเด็นแรกท่านก็แก้ว่า รูปนามเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งรูปนั้นเป็นอุทยะลักษณะตัวนี้หมายถึงลักษณะอะไรไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ในขณะเกิดไม่ได้หมายถึงวิเศษลักษณะหรือไม่ใช่ลักษณะความหมายอื่นใดที่จะต้งมีลักษณะ ที่แปลไปแห่งรูปนั้นเป็นวายะเป็นความเสือเอ่อมตรงนี้แก้คำว่ารุแต่ก็หมายถึงนามนะครับหมายถึงนามด้วยต่อไปท่านว่าปัญญาที่พิจารณาเห็นอุทยะวายะของรูปนั้นเป็นญาณชัดนะ แปลว่าอุทยาวิยะเป็นอารมณ์ยานเป็นตัวรู้แล้วก็อุทยะวยานั้นแท้ที่จริงนั้นอ่ะเป็นอาการของรูปนาะมอาการเกิดกับอาการดแบบับยานี่แหะครับที่เรียกว่าเห็นแทงลึกเห็นอย่างลงลึกอย่างเราเนี่ยเรา ไม่ได้เห็นแบบลงลึกเหมือนว่าเวลาเราโกรธเรารู้ไหมว่าเราโกรธรู้ว่าโกรธและเวลาพระท่านสอนให้เราแก้โกรธ ด, ด้วยนัยะ ท, งทังวิปัจนาเนี่ยท่านจะสอนเราว่าเมื่อโกรธถ้าสอนว่าแผลในตา น, นั้นเป็นนัยะสมถะใช่ไหมสอนว่ากรรมของเราเป็นนัยะทางธรรมรักตาปัญญา สอนว่านึกถึงความดีของเขาเป็นนัยยะของวางตะตันอยู่แต่สอนโดยนัยยะของวิปัสสนาเนี่ยท่านจะบอกว่าโกโรธบางทีท่านพูดนี้เลยท่านมาอมธิบายบอโยอมจะเลิกโ ก, โกโรธนะความเลิกนะโกโรธให้ดูทั้งชั่วโมงละา ม, มาจะให้รางวัลเราเอารางวัลท่านได้ไหมโกโรธทั้งชั่วโมงวโว้บ้าโวเบี้ ผมว่าถ้าโกรธได้เต็มชั่วโมงก็แม่ท่านมีชีวิตอยู่ได้รับรางวัลหั <c oughs> วใจวายตายก่อนไอ้ความโกรธนี่มันเกิดง่ายแต่มันก็ไปง่ายมันอยู่ไม่ได้นานอา้าวแต่อย่างนั้นแล้วทาไมเขาผูกพยาบาลกันได้ล่ะไอ้คนผูกพยาบาลไม่ได้โกรธทั้งปีทังชาติมาไหนแล้วหรือเราพยาบาลใครเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานึกถึงแต่หน้าคนนั้น เป็นปฏิภาคคณนิดเลยโกรธเป็นอัปปนาสมาธิไม่มีทางมันก็คือโกรธ ด, ด, ด, ดับแล้วมันไม่ลืมเท่านั้นเองครับโกรธถึงจุดมันก็ดับไปเกิดจิตอื่นแล้วก็ในจังหวะมันก็โกรธต่อเพิ่แค่นั้นเองหรือถ้าไปดูเห็นความเกิดดับมันก็เห็นว่าไม่เที่ยง ว่อาการเอาอารมณ์ของอ น, นิจจังทุกขังาตา ม, มาพูดเนี่ยมันคลายความรู้สึกยินดียินร้ายได้จริงถูกไหมฮะเอาง่ายง่า ย, ยานี้ว่าใครคนหนึ่งเราโกรธครบสมมติว่าเราไปขึ้นรถไปทะเลาะกับคนขับไปทะเลาะกระเป๋ามันด่าแม่เราเราเกิดมีทางไมหลับตายเนี่ย อีกสามวันมันจะขับรถไปตกเหวทจนตายไอ้เราก็มันตายได้เี็ดวันเราก็ตายเหมือนกันไปตายที่อื่นโดยเหตุอื่นเราจะโกรธก็ลงนะเราโกรธให้ลงเพราะเห็นจุดดับผู้แต่ละคนนะนี่คุณู้ด้อยเห็นอย่างอย่างก็จริจริงมันก็ยังหยาบนะแต่ว่าก็อย่างพิเศษหน่อยเพราะนั่นบางทีถึงกท่านถึงบอกว่าเออไอ เราโกรธในความโกรธมันก็ไม่เที่ยงเราจะบังคับให้มันอยู่คำว่าคำวันก็ไม่ได้แล้วคนถูกโกรธนี่ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ตา ย, เ, ยเราก็ตายเหมือนกันใจมึงก็คลายอันนี้ก็อย่าง อ, อนัตตาัญญานิจจ์ัญญาอย่างหยาบๆทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคนไปเห็นต่อหน้าต่อตายอย่างนี้แล้วไม่ต้องอธิบายเหตุผลเลยครับพระไม่ต้ามาเทศให้ฟังเลย เราจะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไปตามคันลองของความที่ควรจะรู้สึกโดยทรรมเองเราลองสมมุตินึกดูก็ได้ความเกิดดับต่อหน้าต่อตายนะมันต้องกระเทือนใจอย่างรุนแรงแน่นอนถ้าสมมติไม่ออกก็จะช่วยไม่ได้นะนี่ไอ้สมมติตรงนี้แต่ว่าใครเคยสัมผัสสัมผัสปังก็ก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันมันมันให้ความรู้สึก โดยไม่ต้องพูดทีนี้ท่านวางท่านต่อไปว่าบทว่าอุทยะได้แก่ชาติคือความเกิดเป็นอาการใหม่แห่งรูปที่เกิดแล้วนั้นคำว่ า, ารูปเกิดแล้วหรือนามเกิดแล้วเนี่ยนะมันหมายถึงแล้วโดยปัจจุบันคือถึงแล้วอยู่สาเร็จแล้วเป็นปัจจุบัน ขณะเกิดของรูปและนามปัจจุบันชื่อว่ารูปนั้นถึงขณะเกิดแล้วอยู่ไม่ใช่เกิดแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วก็เป็นอดีตไปท่านท่านเอาคําว่าชาติมาเป็นคําไขคําว่าอุทยาอ่าอันนี้ก็ถือว่ามีความเกิดเป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อันหนึ่งของรูปหรือของนามและวิยะได้แก่ความสิ้นไปดับไป มีความแปรปลีรวนไปเป็นลักษณะการพิจารณาถึงบ่อยๆชื่อว่าอนาุปัฏนานะที่ว่าพิจารณาถึงบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าบุคคลนั้นได้บรรลุการเึงอย่างนี้เพราะกระทำบ่อยๆเป็นสาตัจจกริยาคือทำอย่างต่อเนื่องก็เึอว่าการพิจารณาเพราะการพิจารณาบ่อยๆนะ ท่านจึงเรียกว่าอนุปัสนามันไม่ใช่กําหนดปุบแล้วเห็นปั๊บต้องติดตามกระทําอย่างต่อเนื่องจึงเห็นได้ท่านจึงเรียกว่าอนุปัสนาด้วยเหตุ น, นี้อธิบายว่าอนุปัสนานี้ก็ได้แก่อุทยาอุทยพยานุปัสนาญาณนั่นเองหรืออุทยพยานนั่นเ อ, อ, อ า, ย า, ยานะผ่านตรง น, นี้ไปอันนี้มาถึงประเด็นที่สี่มาของอุทยะและที่ไปของ ว่าอยะไอ้คุกข้ขอนี่ผมตั้งเองให้เปนต่อกรกองเนะะื่อที่มาเนี่ยหมายยอุทยาเนี่ยเหมือนเราถามว่าเรามาเกิดเนี่ยมาจากไหนใครที่อะรยาที่ไปขอดบุตรที่บ้านไอ้ที่โรงพยาบาลก็ไปเห็นเขา้าวแต่พอคนธรร ม, ม ะ, ะก็อาจจะนึกเอ๊ะนี่จะมาจากไหนไงนะถ้ามีเพื่อนนีเพืน รู้เรื่องคนนี้้็ถามนี่เข้ามาจากไหนเนี่ยที่เราก็บางเอิ้นผ ม, มพอจะอยู่ในแวดวงค น, ท, นที่เขาพอรู้บางที่คือบอกนี่คนนี้ตามมาจากนูน่นก็า ม, มาจากนูน่นบางคนมงนี่มาจากสีแยกประประสงค์เขาบอกเช่นเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็พาไปสีแยกประประสงค์หรือถ้ามาไม่ได้จะจุดทูจุดเทียนจุดเทียนหรือจุดทูที่หกบอกบอกนี่บริวารนนะท่านที่มาเนี่ยเป็นแับนี้แล้ว เ ว, วยแล้วเฉยแล้วไอ้อนี่เล่าให้ฟังประกอบไปงั้นนะอย่าอย่านึกว่าเป็นจริงจังอะไรเรื่องของไงของมันนี่ละกันทีนี้เรามาดูเรื่องขนาดรูปขนาดนามถ้าเราไปเห็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราขยายภาพของรูปของนามที่มันเกิดถี่ยิบติดต่อกันเนี่ยหรือโสโลโมชันราพยนต์นะว่าอ่าสมมุติว่าเป็นกีฬา ฟุตบอลหรกี่หลายโชคดุยอยู่ๆเราดูไม่ทันเห็นคู่ต่อสู้ล้มควม่ำลงไปกระพื้นมาใบยี่อยู่ก็ลูกฟุตบอลพรวด้าไปในประตูแล้วนี่เราก็อยากที่ไอ้ลูกนี้มันเป็นยังไงมาอย่างไงหมัดนี้เป็นยังไงมายังไงถึงมาเกิดผลอย่างนี้ขึ้นเราก็ขยายภาพดูโอ้มันมาจากไหนเราเห็นไหมบอกบอนขยายภาพลราเห็นไหมเห็น ทำไมถึงแตกหนระือหัวไปชนกันหรือโดนหมัดพอขายายผ่านแล้วก็เห็นใช่น ะ, ะมันมีที่มาไอ้นี้เราพูดอย่างภาษาสมมติเนี่ยของใหม่ที่เกิดขึ้นนี่มันมีที่มาสมมติพูดได้ตอวนี้มีที่มาไหตัวท่านมีที่มาไหมมีที่มาจากไหนตอบได้ไหมหรือไม่รู้ยันลืมมันมีที่มา ผมก็มีที่มาวันนี้ผมก็มาของผมผมไม่อยากบอกผมมาจากไหมแต่จะหาว่าคุยก็มามาแล้วก็แหละนะฮะนี่เราก็พูดได้แต่ในภาษาปาลมัตเนี่ยท่านกลับจะบอกว่าไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไป ขนาดรูปขนาดนามเนี่ยนะ่ะฟังแล้วพิกล น, นะครับถามว่าจิตดับจิตของท่านแต่ละขนาดดับดับแล้วไปไหนไอ้จิตดวงดับไปไหนจิตดวงเกิดขึ้นมาใหม่ขนาดนี้ก่อนเกิดมันมาจากไหนมันซุ่มมาเหมือนในทะเลลูกที่เขตามมาเกิดบางทีแม่แม่หาบน้ำไอ้หาบของขายไปแวะเมื่อก่อนมันเวลากินน้ํามันไม่มีน้ํา ขวดพระสติขายอย่างนี้มันก็ไปตักแม่ข้าวอันแกก็ไปตักน้ำตามครูตามกรองกินไม่เป็นไรแล้วก็มีวิญญาณกระโดดลงขันอย่างพวกระลึกชาติบางคนเขาเล่านั้นนี่ผมหรือว่าเลาประกอบไม่ไม่ไม่ถือเปนการยืนยันอะไรทั้งนั้นก็กระโดดเข้ามากระโดดเข้าท้องเลยครับแต่กระตั้งท้องแม่กระตั้งท้องนี่ลูกลูกเข้า ลูกในไส้จริงๆเออก็ไปตามทางลมหายใจบาคคยยยงคนก็ขี่คอ ม, มาอย่างที่นั่นที่นี่มันก็มีที่มาอยา่างนี้แต่นามและลูกนั้นท่านบอกไม่มีที่มาและไม่มีที่ไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่เปนอย่างนี้ก็เพราะว่านี่คือความเป็นอนัตตาอย่างเต็มสมบูรณ์อย่างไรนั้นอธิบายหลังจากอ่านข้อความนี้แล้วก่อน ท่านว่าอย่างนี้ครับพระโยคีนั้นพิจารณาเห็นมิพัตติลักษณะคํวนามิพัตตินั้นเป็นอีกไวยพจน์หนึ่งของคำว่าชาติหรืออุทยาหรืออุปาท า, านี่ภาษาจึงแปลว่าความเป็นขึ้นความเกิดขึ้นก็กเอาง่ายๆว่าเป็นความเกิดนั่นเองครัขณะเกิด เมื่อพโยคีคือประโยกา์อาจรนี้ปฏิบัติวิปัสนาไปเห็นอาการเกิดของรูปนามในปัจจุบันนั้นแล้วก็อาการที่เป็นขึ้นใหม่ของนามรูปปัจจุบันนั้นคืออุทธยะอุทยะพระโยคีนั้นพิจารณาเห็นวิปริณามมะลักษณะความสิ้นไปความดับไปอาการที่สิ้นไปดับไป ของรูปของนามปัจจุบันเป็นวัยญาก็เอาความประสงคํคำพูดนี้เป็นการกล่าวถึงเห็นความเกิดความดับนั่นแหล ะ, ะทีนี้เราพลิกหน้าต่อไปในท่านที่กำลังจะบอกแล้วครับว่ามันเป็นยังไงไมายังไงมันไม่ได้มีที่มาไม่ได้มีที่ไปฟังแล้วนะบางทีเราก็อาจจะนึกเตะกันว่าไอ้มันพวดพลาดจะมีมาโดยไม่ปี่ปีมีครุยจะได้หรือ แล้วดับไปแล้วสิ้นสาไปมันก็เกิดปัญหาใช่ไหมแล้วพวกนี้แล้วไอ้สันตติว่ายังไงอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นข้อที่เรารู้รู้มาก่อนจะเกิดคารกัดแยงกันหรือไม่ไอ้ไอ้การที่เราตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำให้เราเข้าเสริมเข้าไปถึงความประสงค์ที่ท่านพูดถึงได้อย่างแน่ชัดขึ้นว่าที่ท่านพูดว่าดับแล้วดับไปสิ้นสากก่อนเกิดไม่ได้มี มาก่อนเกิดคืออย่างไรตรนนี้ท่านจะ ว, ว่าเป็นส่นๆไปนะในการก่อนแต่ความเกิดขึ้นแห่งนามรูปนี้กองหรือหมวดหมู่แห่งนามรูปที่ยังไม่เกิดหาหมีไหมตรงนี้ก็พูดเลยสงสัยที่ผมว่าเมื่อกี้ไหมว่าเรารู้มาแต่ดั้งเดิมเนี่ยว่านามและรูปเป็นสันตติ ใน้ในนี้ปัศนาญาณนี้พู้ไปถึงบทท้ายนั้นก็พูดเทหานี้ด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่ของใหม่เอี่ยมอย่างที่เราพูดกันใ น, ในความหมายหนึ่งคล้ายวิย ท, ทยาศาสตะถามว่าต้นี้ไม่ได้มาจากไหนเลยหรือนี่เรากำลังจะพูดในแง่ประมาดแล้วนะอย่าไปบอกว่าไปซื้อมาจากร้านไหนมีที่มาไม่โต้นี่ก็ไม่าเราพูดถึงโต้ตัวนี้ที่ประกอบขึ้นในร้านถามว่าเอ้าก็มาจากป่าไงล่ะเอ้อย่างงั้นัำไมได้เลยเอาขนโต้มาจากป่าล่ะ มาซื้อทำไมที่เหลือเงินล่ะต้นมันก็มาอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราว่าที่มาเนี่ยเราพยายามพูดในแง่ของไอ้ของหมดของพูดว่าของเก่าในรูปใหม่ใช่ไหมตนน้นบางทีงมันเป็นของเก่าในรูปใหม่มันก็คือไอ้ไอ้ต้นไม้ในป่านี่ต้นไม้ในป่ามันก็เป็นของเก่าในรูปใหม่ที่ดูดแรดแ ล, แลท่าอะไรเข้าไปทําให้เกิดต้นไม้ขึ้นนี่นี่คือการอธิบายทางระสิ่งเราพูดอย่างนี้ แต่ว่าในรูปปั้สนายาที่ไม่มีที่มาเนี่ยท่านหมายความว่าสีต้องการจะปฏิเสธอัตตาสัญญาอย่างสิ้เนเชิงว่าไอ้มาอย่างเป็นร้อยแท้ๆอย่างนั้นแท้ๆไม่เคยมีที่ไหนอย่างเราเนี่ยเขารูปร่างอย่างนี้ผิวพันธุ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนนะไม่เคยมีมาเลยจังก็เรียนว่าใจเกิดมาหนะาตานี้ไม่เคย ใช่ไมนะไม่ถามอย่างกะระลึกชาติได้ถ้่ขอให้ตอบโดยหลักการนวกันเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเป็นอย่างนี้ร0อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะถ้าดับไปแล้วเราก็จะไม่มีอย่างนี้อีกต่อไปแล้วหน้าตาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วมีอย่างใหม่เร็ ว, วกดดว่าเก่าหรือดีกว่าเก่าหรือดีอะบางส่วนเร็วบางส่วนจากเทตยปัจจัยอันใหม่นั่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่า ก่อนที่รูปนามนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยรูปนามนี้ไม่เคยเกิดอย่างนี้เลยไม่ได้แปลมันไปเที่ยวซุ่มคอยคิวะ่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันจะเกิดได้จังหวะแล้วมันจะเกิดเหมือนอย่างพูดผีปีศาจจิตปีญญาณที่มาเที่ยวซุ่มจะไปเกิดเป็นรูปนั้นคนนี้นะหรือเท ว, วดาที่จะไปเที่ยวเลือกเลือกเกิดเป็นรูปใครอย่างพระพุทธเจ้าทรงทำ ม, มหาวิโรห์นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่งเป็นภาษาโลกสมมติพูด แต่ความเป็นนามเป็นรูปเนี่ยไม่เคยเกิดไม่ได้ซุ่มอยู่ที่ไหนมาก่อนและเมื่อดับไปแล้วก็ดับไปเลยไม่มีอย่างนี้อีกในขณะต่อไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่มีก็เลยได้ความว่าไอเราเกโกรธกันมานกี่โกรธเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับจริงๆริ เช่นอารมณ์ที่เราโกรธมันก็ไม่ใช่อย่างกับอายุตอนที่เราโกรธวันเวลาที่เราโกรธมันก็ไม่ใช่อย่างและเหตุปัจจัยรองรับของความโกรธในแต่ละขณะภายในก็ไม่ใช่อย่างกับมันต้องมีมุมที่เป็นมุมแตกต่างกันมากบางน้อยบางตรงนั้นตรงนี้บ้างก็ไปเห็นถึงอย่างนี้นี่พูดถึงคนที่เห็นยานทีเนี่ยไปแยกเห็นความเด็ดขาดซึ่ง ไอ้ตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเห็นความเปราะบางและความไม่เห็นแก่ตัวความไม่ถือติดมันยิ่งหนักแน่นมากขึ้นตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าถ้าเรายังรู้สึกว่ายังเป็นเราอยู่บ้างยังเก่าๆอยู่บ้างและยังจะพอพึ่งพิงไปถึงวันดงนี้อยู่บ้างขณะใหม่อยู่บ้างความเห็นแก่ตัวเรายังมีอยู่บ้าง แต่ถ้าเราไปเห็นน้อยกเหยียบ ม, มันเปลี่ยนไปไม่เห็นหน้าเห็นหลังมันไม่ใช่อันเดียวกันความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีเลยไม่มีเลยในระดับยานนี้พอกกระจายบ้างมันเข้าใจทั้งนั้นแล้วก็น่าจะบอกกันได้เลยไปอ่า คึอว่าเรื่องของทฤษฎีวิปัสนาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่บางทีพูดเที่ยวเดียวพูดยังไงยังไงเนี่ยก็ะตาอ๋อให้บรรยายเก่งพูดเก่ง ก, กว่าคนเก่งๆ เ, เขาสักพันเท่าแล้วไปพูดให้คนมือใหม่ๆฟังเนี่ยมันมันก็ซึ้งไม่มากมันต้องรอเวลาศึกษาเพิ่มเติมเรื่อสิ่งเหล่านี้บางทีอาจจะต้องรออีกห้าปี ท่านถึงจะเข้าใจลึกซึ้งกว่านี้นี่ไม่ได้แรงผมก็ลองบอกว่าท่านไม่เข้าใจเลยนะผมเขาอาจพูดแล้วอีกสิบปีผมอาจจะมาขอหน่อยขอแถมเรงนี้หน่อยมันก็ก็ไม่เหมือนกับความเข้าถึงมันถ้าเราไม่หยุดการเดินไปบนกระแสธรรมะเนี่ยความเข้าใจเราก็ไม่หยุดเราอย่าไปติดตันอยู่กับความรู้ความเข้าใจเท่าที่เรามีอยู่วัน ต่อไปชื่อว่าความมาตากกล่องหรือจักบนหมู่นามรูปที่กําลังเกิดเล่าก็หามีไม่อข้อสารชื่อว่าความไปสู่ทิศใหญ่น้อยแห่งนามรูปที่กําลังดับเล่าก็หามไม่มาอันนี้ท่านกาลังพูดแเป็นสีที่แบ่งเป็นสีขยักแล้วคุณใส่เป็นสีข้อเนี่ยเด็กชื่อว่าความตั้งลง โดยรวมกันเป็นกองเป็นหมู่เป็นหลุมที่อื่นแห่งอ่าคลายตีในที่อน่คือแห่งหนึ่งแห่งใดเนี่ยนะรูปที่ดับกว่า อ, อันนี้พูดอย่างนี้ท่านพูด ก็เราบอกคนกําลังลุกเนี่ยจะลุกไปไหนแต่มมติว่าผมกำลังพูดอยู่แล้วก็มีคนลุกเนี่ยผมก็พอเดาได้ว่าต้องเข้าห้องน้ําทําพวงหน้าใหม่ๆนะก็สงสัยเขาทนไม่ไหวที่จะฟังผมต่อไปกลุ่มใจตายเอ้ยกรุ่มใจเขาก็จะต้องรีบกลับบ้านเขาดีกว่านะเรารู้ที่ไปรู้ทีไปแล้วก็พอไปแล้ว เราอาจจะไม่ต้องไปตามว่าเขาเข้าห้องน้ำห้องไหนก็ไปแล้วไปทีนี้น้มลูกเนี่ยเมื่อมันกำลังจะดับเนี่ยผู้เห็นรู้ไปถึงเรื่องนา้ว่ามันดับนี่มันดับเลยมันไม่ย้อนกลับมาอีกและเมื่อดับไปแล้วเมื่อดับสิ้นขณะเสด็จไปแล้วเนี่ย ก็ไม่เห็นว่ามันไปไหนอีกไอ้น้ำลูกขนาดนี้แตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงหน้าสะดุง้งหน้าสะพึงกลัวและไม่น่ายึดติดเหมือนว่าเรากำลังไปซื้อแก้วมาสักใบแก้วดีๆราคาแบงก์งกันนะผมเห็นไอ้ไอแก้วกระเบื้องบางอันเนี้ยโหดูราคาแล้วก็ตกใจไม่รู้ก็ซื้อไปทำอะไรกันนะราคาตั้ให้ยพันนะแถวๆนี้ไปดูแล้วก็ไปดู ก็ไปดูดูแล้วก็ไปดูเอาความคิดตั้งหลายพันนี่เราซื้อไว้เรามันโง่มากไปก็ไม่รู้นะเนาะเราก็นึกว่าถ้าคนซื้อเนี่ยเขาเกิดซื้อแล้วถือไม่ดีหล่นแตกเล้งไปเนี่ยเขาจะวิ่งกลับไปที่ร้านนั้ น, นอีกเพราะที่คุณเอาเอาเอ า, เอาแก้ทิ้งกลับคืนมาแล้วแก้ทิ้นไปซุกไว้ไหนหรือจ้างคนตามหามาดูซิไอมันไปซุกอยู่ที่ไหนวิญญาณมันออกไปไหนเนี่ยจะเรียกวิญญาณมันกลับเข้า่า เขก็ไม่พูดอย่างนั้นคือพอตกแล้วก็แปล ว, ว่าแตกเลยถ้าเป็นคติอย่างธรรมดาเราก็โกรธเกิดอะไรกันไปแต่เป็นคติอย่างผู้ปฏิบัติธรรมก็เกิดเบื่อนหน่ายเกิดความไม่ยึดถือแต่พฤติกรรมที่ออกมาเหมือนกันคือพอแตกแล้วเนี่ยครับอยากว่าแต่อยกมาเก็บใส่อยากไดอ้อยากจะให้ไปเที่ยวตามหาที่นู่นนี่แม้แต่ไอ้เศษแก้วก็ไม่อยากเก็บใช่ไหมแต่ไอ้ที่ต้องเก็บจันใจเก็บกลัวเขาว่าเอาใช่ไหม จริงไหมมูไปทําแตกเพ่งเนี่ยอถ้าเรารับผิดชอบเราก็เก็บไม่ใช่เก็บเอาแล้ว เ, เก็บทิ้งจริ ง, รงๆไม่อยากเก็บมีคนมาช่วยเก็บแล้วให้เข้ามาช่วยเราเก็บมันก็กมันเป็นอย่างนั้นแบบเดียวกันมันก็เลยกลายมาว่เราเนี่ยขนาดจิตเราเหมือนแก้วหรือบางในพระไตรปิฎกอปรียบเทียบเหมือนกับหม้อดินแตกไปแตกไปแตกไปเป็นขณะดขนาดเหมือนอย่างในเอที่พูดถึงพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องมรณะสติสูตร ที่แจกไปคนละสูงก็ที่พูดปานิพันธ์เขาที่แล้วนะเห็นไหมเบบเอาเรื่องเดียวที่ท่านบอกว่าพิจารณาใครที่พิจารณาเห็นชีวิตมีอายุสั้นๆแต่ว่าถ้าใครเห็นอายุข้างนานยูเนี้ยสั้นแค่คำข้าวเคี้ยวกลืงทีหนึ่งแค่ลมหายใจเข้าออกทีนึงหนึ่ ง, งใช้ได้มันใกล้ชิดวิปัสสนานะ อันนี้นะผมถึงบอกว่าเราเข้าใจกันผิดแต่แรกรวมทั้งผมด้วยว่าท่านสอนให้ทุกลมหายใจไม่ใช่ไม่อย่างนั้นองค์ที่ที่กําหนดว่าชั่วคํำข้าคำหนึ่ก็ต้องฉันทั้งวันนะที่ใช่ไหมละ่ะไม่ฉันแล้วจะเอาอารมณ์กรรมฐานที่ไหนมาพิจารณาว่าวัยเราสัน้นหายใจนทั้งวันไม่มีปัญหามันนั่งฉันเมื่อจะได้รู้ว่านี่นี่นะอายุเราแค่คํำข้าเคียวกลืนหนึ่เป็นไปได้ไหมฉันทั้งวัน กินทั้งวันไม่ได้ถึงพวกเราเองไม่ได้รักษาสีนอย่างปลาเราก็กินทั้งวันไม่ได้ยังมาอ้างเอาวสูตรนี้ไปเป็นประโยชน์อย่างไรก็ไม่ได้ท่านถึงหมายความว่าถ้าใครสามารถที่จะกําหนดเห็นอายุของชีวิตีะจํากัดสั้นลงมาถึงขนาดนั้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ละเอียดดีที่สุดจึงทรงตรัสรับรองพระลสององค์สุดท้ายที่ถือเอาลมหายใจกับถือเอา ทำข่าวดีเคี้ยวกลืนกว่าอายุสั้นขนาดนั้นน ะ, ะทีนี้ว่าถึงหัวในหัวข้อต่อไปเลยนะอุบัตนี่เข้าใจง่ายมันถึงผิดอ่านี่เป็นข้อความในใ น, ในอัตถกาถาในพิสุธิมังค์แต่ในพนะทรรมดีดกมีผมไม่ได้คัดมาเรื่องเยอะๆไปอบางทีนั่นก็เปรียบเทียบเหมือนกับไม้สองอันเคาะกันอันนี้ก็เปรียบเทียบดีพินสีกันเนี่ย ถามว่าก่อนที่ไม้สีกับสายพินจะกระทบกันเสียงมาสอรออยู่หรือเปล่าไม่ได้สอไม่ได้ลออยู่ที่ไม้สีหรือสายพินหรือในรางบินหรือในตัวคนสีแต่มันเกิดขึ้นจากการประชุมพร้อมกันของเหตุปัจจัยเป็นขณะขณะต่อต่อตต่อกัน เหมือนแค่ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นดนตรีชีวิตนะพูดให้มันสอดคลองตรงนี้ที่สีไปสีมาไม่ยอมจบเดี๋ยวก็เพลงเย็นเดี๋ยวก็เพลงร้อนเดี๋ยวก็เพลงโน่นเพลงนี้เลืออ่อยไปเลยไม่เคยหยุดบรรเลงสักทีนี่เป็นข้อเปรียบเทียบของท่านอย่างนี้นะแล้วเมื่อเสียงพินสีเสร็จแล้วสุดแล้วมันก็ดับ ไปอยู่ที่ไ น, นอ่ะทีนี้เราก็เกิดขึ้นในสมัยนี้แล้วก็สงสัยท่านถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเกิดสมัยนี้แล้วก็ยกมือถามว่าข้าแตแ่พระองค์คูเจริญเจ้าปราชญ์ข้าพระพุทธเจ้านายสุเทพโพธิศรัทธาฟังพุทธเสนาตรงนี้แล้วก็สงสัยแล้วเกินว่าแล้วที่เขาอัดเทปบันทึกเสียงนี่เสียงไม่ได้มีเข้าไปอยู่ในเทปเลยแล้วคนที่เอาเอาเปิดเอาเทปมาเปิดฟังน่ะเสียงไม่ได้ ซุบอยู่ในเทศก่อนแล้วมาดังให้เราให้คนเปิดเทเ ฟ, ฟังเลยอ่าแจะว่างไงตอบแทนพระพุทธเจ้านะสิ <c oughs> เสียงมันแอบอยู่ในเทนเรปล่าผมถามหน่อยคนพูดมีเสียง <c oughs> เสียงผมมันแอบอยู่ในไตไไส่ครุงอะไรเปล่าก่อนจะอ้าปากพูดพูดไปแล้วท่านได้ยินเสียงของผมไม่เข้าไปสิงอยู่ในตัวดานเปล่า เข้าไปชาดอยู่ในลิ้นักหนักเข้าฟังผมบ่อยบ่อยท่านเลยพูดเป็นเสียงเหมือนผมเลยอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แม้จะเป็นเทปเสียงมันไม่ได้อยู่ในนั้นเป็นแต่เพียงว่าเหตุปัจจัยที่คุมกึ่งเขา้าในรูกหนึ่งในปรากฏการหนึ่งเมื่อม า, อาผ่านกระบวนการมันก็เกิดเสียงดังอย่างนั้น นื่องจากว่าเหตุปัจจัยมันทําให้เสียงนั้นใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่จะต้องเหมือนกันตลอดไปฟังนานๆเขาไม่เหมือนเราสีไวโอลินขันถึงเสร็จแล้วพอสีบางทีมันหย่อนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมความโกลนสีไม่ได้ไม่ดีบางมันก็ไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะฟังบรรพ์เหมือ น, น, นเดิมก็ตามอันนี้ก็เหมือนกับไอ้จิตของเราแต่ละขนาดความโกลนความมันไม่เหมือนเดิม ซึ่งเรามองไม่เห็นความแตกต่างมันเหมือนกับคนเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่คนฉลาดเท่านั้นมองเห็นความแตกต่างของคนทั้งในแงด่ดีแง่ไม่ดีเห็นได้ได้ลึกเห็นได้ซึ้งแตกต่างกันตรงนี้ก็เลยไม่ต้องอ่านผ่านไปนะคราวนี้ก็จะมาเข้าประเด็นการพิจารณาอุทย พ, พยะมนสิการ อย่างพิสดานพิสดารในเอกสารชุดที่สิบเนี่ยเป็นเพียงภาคแรกของพิสดารู้สึกจะแบ่งขัน้นแบ่งตอนเยอะวแล้วเกินและชุดที่เอที่เพิ่งออกมาแจกเมื่อกี้นี่คือบทพิสดานไปโดยลำดับจนถึงที่สุดนะอันนี้เราก็พูดในส่วนภาคแรกก่อนว่าเป็นข้อความในตำรายแล้ะครับ พระโยคาพระโยคีครั้นทรรมอุตยะมนติการอย่างสังเกตดังนี้แล้วจึงท ร, รมนติการอย่างพิสดารโดยปัจจัยและโดยคณะต่อไปว่าตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่จะไปกระทบถึงพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกที่บางทีเรามากักจะอธิบายหลวงทั้งผมด้วยเป๋ เกิดความขัดแย้งว่าไอ้เราเนี่ยเวลาพูดถึงความเกิดดับต้องพกเกิดดับโดยขนาดเอาไปจะอธิบายพอไปอ่านเช่นในขันธบัติธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานสูตรที่ท่านบอกว่ารูปอย่างนี้ความดับแ่งรูปความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแ่งรูปอย่างนี้พอไปเจอเกิดเกิดระ ด, ด, ดับดาวก็ใส่เลยใส่อันนี้ใส่ขนาดเข้าไปเลยผิดครับ หนึงผิดไม่หมดล่ะแต่ผิดในส่วนลึกส่วนหลักตรงนั้นตรงนี้นะ่ะถือเป็นเรื่องความลึกซึ้งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจอโดยขณะเนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่อธิบายท้งต้นต้นมาแล้วโดยขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเรียกว่าโดยขณะแต่ว่าโดยปัจจัยนะคืออย่างไร ผมอ่านข้อความในนี้และก่อนแล้วอธิบายท่านก็บอกว่าหนึ่งความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยอย่างนี้บ้างความเสื่อมไปแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้บ้างรูปย่อมเกิดโดยขณะอย่างนี้บ้างไอ้สองข้อแรกนั้นโดยปัจจัยสอง ข้อหลังตั้งแต่สารเรื่งสี่เนี่ยนะโดยขณ ะ, ะนี้ท่านว่าเป็นหัวข้อสั้นๆไว้ก่อนรูปย่อมกลับเสื่อมไปโดยปขณะอย่างนี้บ้างพิกต่อไปจะเป็นบทอธิบายจากพระธรรมดลพิกสูยย่อมเห็นความเกิดแห่งรู ป, ปรขันโดยอาจคือความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปมิย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาตันหากรรมอาหาร อแม่เห็นนิพพัตะลักษณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งรูปก็ชื่อว่าเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปประการเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปประกาก็ชื่อว่าเห็นลักษณะห้าประการนี้อห้าประการนี้น่ะเดี๋ยวผมก็ติดไว้ไว้พูดที่หลังนะ ม, นมันอยู่ในนี้แต่ว่าให้ตัวเลขนี้ต้องพูดข้ออื่นก่อน ภิกษุย่อมเห็นความเสื่อมไปแห่งรูปโดยอาจคือความดับแห่งปัจจัยว่าความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชาตันหากรรมอาหารแ ม, แม้เห็นวิปริณามลักษณะลักษณะที่แปลไปแห่งรูปก็ชื่อว่าเห็นความเสื่อมแห่งรูปประขันเมื่อเห็นความเสื่อมแห่งรูปประขันก็ชื่อว่าเห็นลักษณะ5ประการนี้ คำว่าห้าจึงได้แก่รูปเนี่ยเกิดเราเห็นเหตุเกิดสีอวิชชาตันหากำอาหารสี่แล้วนะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไอ้สีน่ะคือโดยโดยปัจจัย<ม>เกิดและดับโดยปัจจัยเพราะอวิชชาตันหากำอาหารเป็นปัใจจัยให้รูปเกิดใช่มล่ะ และที่ห้าคือโดยขณะนั่นเองครับวิปปลินามลักษณะนี่คืออาการของนามลูกนั้นแปลว่าเห็นอาการของนามลูกนั้นแล้วก็เห็นเหตุเกิดเมื่อเหตุมีไอนามไอลูกก็เกิดเมื่อเหตุ ด, ดับปลูกก็ดับทีนี้ข้อความตรงนี้นะ่ะไอเมื่อก่อนนี่เราอ่านผมในผมพูดถึงความรู้สึกผมนะฟังแล้วกาปั้นทุกดินจังเลย ใครจะรู้สึกอย่างผมรู้บ้างก็รู้เปล่าบ้างก็ไม่รู้นะฟังแล้วรู้สึกไม่กินใจไม่ซึ้งแล้วก็กำปั้นเึอเดี๋ยวก็เอะอะวิชาตะนาวอุปาทานกรรมเงี้ยามรองเนี้ยนะแล้วมันเกี่ยวกับวิปัสสนาตรงไหนอย่างไรนะฮนะผมกาลังจะอธิบายต่อไปนี้ผมกํกลังจะบอกว่าคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ย ทำแล้วเห็นความจริงของรูปของนามที่เป็นขณะณนอันหนึ่งอย่างที่เราพูดกันเนี่ยทีนี้ไอเห็นแล้วมันมีค่าตรงไหนมันเห็นแค่นั้นหรือเหมือนอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาเข้าห้องและกเขาใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปจับนู่นจับนี่เห็นมันเกิดมันดับเห็นความถี่ของแสงของเสียงอะไรต่างๆอย่างนี้นะและถามนักนักวิทยาศาสตร์เกิดนิพิทาเกิดความเบื่อหน่อย มาบวชกันหมดไหมเปลี่ยนศาสนาไหมซึ่งมันก็แปลกเวลาคนคว้าเข้าห้องแรมโอ้โหเหตุผลจัดอางงี้อย่า ง, ง, งนี้ไม่มีพระเจ้าในห้องแรมแต่ห้องจ้าห้องแลรแล้วเข้าโบสถพระเจ้ามีในบสถคนเดียวมันเข้าห้องแรมอย่างออกจากห้องแลรมมาเข้าบสถช่วยอย่างต้่นนิยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นคนที่ได้ยานสีเนี่ยเห็นความเกิดความบับสองชนิตนะชนิกหนึ่งโดยปัจจัยเนี่ยหมายเราว่าจะจัดไอ้ความเกิดในลักษณะที่เรียกว่าเราได้ขันขึ้นมาขันของเราที่มามีมาเป็นเรียนร่าเกิดมาอยู่อย่างนี้ไี่เป็นความเกิดที่ต้องเกิดแล้วเกิดอีก แล้วเมื่อไหร่หมายถึงว่าเวลาเราตายตายแล้วก็ไม่ตายเลยกลับมาเกิดอีกตรงนี้มันก็อะไรก็รู้ได้ว่าเพราะกิเลสเป็นปัจจัยส่วนกิเลสที่ท่านยกเป็นกิเลสมูลไว้ในที่นี้สองตัวอวิชากับปัญหา นะเป็นเหตุที่ก็เป็นเหตุไกลเหตุไกลกร า, ามา น, นุนี่ที่บอกว่าเวลาไปปฏิบัติเนี่ยคนจะไอสวตัตาสารเนี่ยที่เหลสวัสดงลกึกเตลึกเห็นลงลึกนรรมมาวัดเห็นลงลึกวิปากกรวัดคือไอ้ัวกลุ่มลูกก ล, ลุ่มน้องที่ตัวเองม มันเห็นมันมาต้นแล้วมันคือบากวัดแต่ว่าปีค่าในชวงนี้บากออกแค่ไหนในเชิงผลผลิตของกิเลสออกแค่ไหนต้องมองเข้าไปหาเหตุนีน่คือมองเข้าไปหาเหตุว่าที่อย่างที่อาลีอัสสัตพูดนั่นแหละอันนี้มันเข้าหลอาลีอัสสัตนะครับว่าที่เรามามีตัวมีตนขึ้นมานเนี้เพราะอะไรนีคุณมองกันเป็นชีวิตคือนมาก่อนเลยนะมันได้มาได้รุ่งคุณมาเนีเพราะอะไร เพราะเรามีอวิชชาที่ให้คาพูดอวิชชาเยยนี้ผมก็ลำบากใจว่าพูดยังไงให้ฟังแล้วมันซึ้งซึ่งอย่างที่ผมที่ของข้าใจซึ้งพอสมควรอย่างอย่างขณาเดียวนี้ผมมีโชคดีที่มาพูดให้ท่านฟังนะไอ้เรื่องอย่างนี้หาวิธีพูดยากมากที่ไห น, นก็พูดลําบากผมต้องขอบคุณท่านที่มาทำบุญได้กุศทุกนี้คือ ความไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยความไม่รู้ในเรื่องของทุกสมุทัยไทยนี้ลหนักที่ผมพยายามพูดเมื่ออธิบายตอนต้นๆของปฏิจจทัณฑท่านจาได้ไหมแต่ที่กรณีพันนะที่พยายามอธิบายตรงนั้นนะว่าความไม่รู้ที่เราไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้ไม่รู้หนอันนี้แหละสำคัญอย่างยิ่ง นี่ถ้าพิดว่าเราเอาไว้ส่วนี้ออกเห็นมันผ่านไปอันนี้ผมต้องขอให้ท่านพยายามนึกเทียบกับไอ้ประสบการณ์ปฏิบัติระดับต่ำๆอย่างเราๆนี่นะโยขึ้นไปและเราเคยหลงตัวเองบูชาตัวเองว่าดีพิเศษพิสูเมื่อเราไปปฏิบัติได้ปัญญาขึ้นพอสมควรแนะ ก็มีความรู้สึกว่าเรามันไม่ใช่วิเศษวิโสหาคนวิเศษวิโสไม่ได้เลยครับม่อยากจะเรียกคนอยากจะเรียกตัวทรงเลยหาไห่ได้สักตัวขอโทษนะไม่มีจริงๆครับไม่มีที่ตัวคนไหนเลยแล้วก็อันนี้ความไม่รู้อย่างนี้เป็นฉากตําบงกลางกันอยู่แล้วก็ไม่เห็นโทษของปัญหาไม่เห็นลิ์ของปัญหา ที่มันเป็นตัวสร้างภพสร้างชาตรในพวกที่ใขั้นอาลยสัตว์ขั้นนึกนะนนเนี่ยยานวิชาชนะเนี่ยมันค่อยๆแจ้งในเรียาสตร์ไปตามลำดัถึงยานสี่เนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยจ้ะก็เห็นคู่นี้วา่าไอ้ที่โรงเรียนเราฟังประเทศว่า เ, เหตุทีเกิดทุกเรียนปฏิจจาว่าอะไรเป็นบุญของทุกอาวชาบุญปัญหาบุญเราทราบซึ่งแค่ไหน ทราบซึงอย่างทางหลกักหรือทราบซึ้งอย่างทางความรู้สึกชคมกรรมฐานผมถามท่านเหมือนกับที่ผมรู้สึกกับตัวผมเองผมไม่เจอาคนอื่ต้องไป้ายๆกันอย่นี้ว่าเรามีเมื่อก่อนมีเราก็นึกว่าเราก็เฉลิมฉลองสอบเถมไแล้วก็ออไปที่นึ่งอยู่มุงมุไว้นี่ น, น, งงนะ เราไปทําอะไรก็ได้รับค ว, วามสุขเลยคนเราเคยรู้สึกตั้นแต่เราไม่เก่งใช่นะเคยรู้สึกชื่นชงอย่างนู้นนีเมื่อนะเรารูเ้เราเก่งถ้าเรามาล่ํามารวยมากํางแน่นเราก็เคยภาคูมเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติธรรไม่ได้มาสัมผัสทําแม้ในข่้นเบญจ์แล้วก็คิดเบญจ์ แต่พอเราเข้ามาแล้วย้อนกลับไปดูความประเมินค่าความรู้สูกเมื่คิดถึงเราประเมินความมีความเป็นของเราในอดีตที่มันอาจจะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสูงค่ะคำพูดนี้นะผมรู้สึกกระโดดเอแล้วก็รู้สึกขึ้นไปเป็นชั้นๆพอเราเข้ามาสู่ธรรมะล้วก็มีความรู้สึก ระดับความโมฆะความหล า, หลานก็อยู่ขัน้นพอนานไปนานไปก็มาสมเพศตัวเลยองแต่เดี๋ยวพอหลายคนของแม้เ่อก่อนคิดอย่างในนี้รู้สึกอยากนี่เรายังไม่ถึงขัง้นอริยสั์ถ้าถึงขัง้นอริยสัจมีอยานมาดมันม่ของยังรู้สึกบ า, างอย่างหนึ่งว่า ถ้าสมมติว่าผมได้อารมณ์ธรรมฐานแะไรงบบนี้เวลาพูดธรรมะนี่ผมผมยิ้มไม่ให้ออกคนระับแล้วผมก็้เลยจะให้คผมไปพูดไปอะไรอย่างแต่ก่อนก่อนนี่ผมทาไม่ออกดีลี่มันก็ไม่ออกมาเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังนานๆเข้ามันก็ยังพออย่าง น, นี้ซึ่งมันก็อาจจะเรีอกว่าหบางระดับสูงนี่มันแรยเป็รื่องความไม่หลํงรูป เนะี่ยขั้นสมนะมีพูดอะไนพูดหัวอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าคนที่เข้าถึงธรรมนะแล้วอยู่ในบรรยากาศนั้นตลอดเนี่ยแสดงการสแสดงออกเนี่ย ม, มันต่างกันนะมันต่างกันแ้ว น, นี่ถ้าอย่างเดียวี้จะให้เราไปพูดท่าทางออกนี้ออกโขนในโรงยกหลกเราก็ทําไม่ได้แล้ว วันนี้เราไหมรุ่นเก่าแล้วนี่วันหน้าแเราก็จะไม่เหมือนว่านี้แล้วเราก็ไปเรื่ยอยๆนี่นะมันเป็นธรรมชาติที่ทำมาไม่จะมีลักษณะอื่นเข้ามาทดแทนมันไม่ใช่ว่าอคนพูดธรรมตะตลกโปูฮาไม่เป็นแล้วพูดแล้วไม่มีคนมาฟังแล้วทําไมคนไปฟังพระปฏิบัติผูกจ่าตัวเอรู้บางไม่รู้บางแล้วทาไมฟังแล้วซึ่งก็ก็คนดูนละ่ะทําไมเราสู้กันไม่ได้ละ่ะ ใช่ไหมท่านมีสิ่งอู่นต้างมาทบแทนนี้ั้นให้ทานล ม, มและความไม่เมตตาใมันก็จะแตกต่างกันไปเลือล่อนเลือล่อนๆือนถ้าผมหยุดไปเขาบอกว่าไปเข้าห้องถ่ร์แล้วมาแล้วยั ง, ย, งยังเก่าอยู่นว่าปราเมินราคาได้นะหรือถ้าชุดหนังไปกับเก่าก็แสดงว่าเหนือยไม่ได้เลยดำ หลบไเด้นที่เรียกกรรมก็เหมือนกันที่เราบอกว่าเห็นกรรมเนี่ยมันมีมีส่วนหนึ่งคือได้อารมณ์เลยว่าทำอะไรไว้นนเนี่ยหนึ่งนะแล้วก็มีส่วนหน่ว่าได้โดยไหนเข้าใจในหลักกรรมอานาจ ก, กรรมเนี่ย มีพลังต่อความเป็นไปของรูปของนามตรมก็ไม่ใช่อะไรสแบสิบแล้วกับมันก็คือนามเก่าๆของเราที่เคยเกิดเคยมีเคยเป็นเมืเ่อไปเห็นอย่างนี้แล้วผลอัตโนมัติึงมันก็คือจะทำให้เราลากต ร, รมที่ไม่สม่ําเสมอมาสมาทานกันที่สมบันเสมอคือาการไม่สมบันเสมออย่างกับสุลกัร มันจะคลายบาแล้วก็จะตื่นกลัวความโง่เขาความโง่เขลาในระดับลึกๆเนี่ ย, แบบ เ, ยเห็นคุณของความปรรนุธรรมอย่างชัดเจนในหวัวใจซึ่งไม่ต้องให้ใครมาบอกและเมื่อย้อนกลับไปดูบทอธิบายของมูตระจ้าจะเกิดความทราบซึ้งเป็นอีกรอยเท้าทาีวคุณ และเอาวิชาที่พูดถึงในที่นี้จะมาที่ยเรื่องทำไร้ฐานนามางคนละเรื่องันแล้วมันนี้อย่างนัน้นกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้ใจใจส่วนบวกส่วนลบของทิฏิคือเรียสัจสี่สองกูอะกลายเป็นอีงนะ แค่ไหนั่นคือพี่อาศัยที่จะทำให้เราอาร น, รนุมา<อ>นดูได้นี้เหตุสียงนะทีนี้ในภาคลัเนี่ยมันจะบอกไว้ด้วยในเอกสารเกิดจะมีลำดับผมพูดและเลยก็ได้ว่าเมื่อไปเสื่ออย่างนี้ บุคคลผู้ปฏิบัติหรือโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเกิดการละคือลังเกียบเบื่อหน่ายทั้งนามรูปที่เป็นผลของกิเลสและกรรมแล้วก็เบื่อหมายเหตุคืออวิชชาและปัญหาและกันกรันในที่นี้เอาทั้งบุญทั้งบาปเลยครับท่านสูงเอาทั้งบุญทั้งบาปเกิดความรู้สึกเบื่อหนาย เห็นความรักไม่ใช่แค่ไร้ายข้านะเพราะฉะนั้นพราอรหันต์ละตัมได้ตัมไม่มีกระทำเพราะท่านไม่มีความรู้สึกเสนอหาแม้ในกุศลกรรมใดๆถ้าเรายังเสนหาตัมนั้นก็ยังเป็นมานสร้างรูปสร้างนามให้แก่เราต่อไปท่า น, นบุญนั้นแบบ ถ้าผมพูดให้ฟังอย่า ง, างเราๆเนี่ยอันนี้เห็นชัดในบางคน เ, น <c oughs> เขารวยอยู่แล้วเงินไหลมาเทมาเป็นวาเล็นมีพวกเรานะพวกเราจริงๆแต่วันนี้ไม่ได้มาเขาถ้าเราไปบอกว่าเออเนี่ยนะทำบุญบันทานนะจะไ ด, ได้เงินได้ทองเขาหูกลืนไหยครับ ถูถูกจะทำบุญไหมผมว่านี่ไปทําบุญนี่แล้วจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็อยากถูกไหมเขาไม่อยากเลยธุกรกิจเแค่เป็นหมืน่นหมืนล้านหรือไปฟังโฆษณาทางทีวีเอาใครใช้ผลิตภัณฑ์ น, นี้แล้วส่งใบจะได้ถายตานานี้มาจะได้ทองคําหนังร้อยบาทเขาอยากส่งไหมเขาไม่อยากส่งดี๋ยวคุใช้คำว่าเขาเนะี่ยไม่ใช่คุณนะคุณบางคนเป็นอย่างเขาก็ยังไหว แต่ว่าอีกคนหนึ่งหาช้ากินคำไปบอกว่าน่นะ้อไอจังหวัดสตนนะูลน่ะแผ่นดินมันสุกน้ำในน้ำศักดิ์ใครไปกินแล้วก็ยังน้อยสองตัวต้องถูกพวกนี้หูผึงทันทีแต่พวกอาจารย์ใบหงใบหวยพูดยังไงคนวนนี้ก็อยากจะเชื่อรังหน้ามุด ไที่ามาเจออย่างเราเราก็รู้เอาอย่างนี้เขาเป็นความเป็นอะไรทำยังไงมิจฉาดาให้เราอยู่ดีมีกินก็แนะนําในทางวิธีทางศาสนาทางบุญนะเออเราควรจะทํำยังไงให้เราอยู่ดีมีกินเขาก็สนใจอยากทําคนไม่มีงานทําก็เอออยากทําจะได้ได้งานทํำออย่างนี้คนรวยๆรอเขาได้ไปละไอ้ของเรารวยๆแล้วก็มีปัญหาขอโทษนะผมไม่เกี่ยวในเรื่องเลย เรื่องของเัื่องของคนอื่นนะเขาก็ไม่สนใจเพราะนั้นอันนีนะ้เป็นความรู้สึก ข, ของพระอาหารด้วยผู้ที่เห็นอุสรผลบุญจึงกลายเป็นเรื่องหน้าตัวอย่าว่าแต่บุญใหม่แม้แต่บุญเก่าๆที่ทำแล้วผลบุญอะไหลเทมาไหลามาเทมาพุ้นตัเจ้าอย่างต่อนในลัว ในลาภในลาภภาพ้งยุทลาสกาและชื่อเสียงเป็นอันตรายที่แสบเผ็ดกลายเป็นของน่ากลัวันยิ่งคนปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็ยิ่งบอกมันมีมีเพราะสูตรของมไม่กวดีได้จะแจกเรื่มกวดียด้จะมากไปเลยไม่แจกแต่จะเล่าให้ฟังองที่เรียกสมัยนั้นมันมีแคว้นหนึ่ง ผมอยากจะเรียกเราเป็นแคว้นอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นแคว้นเล็กๆคือแคว้นวัดชีแต่ว่าคนมีคุณภาพมากบูบ้านใหญ่มวลใหญ่ดีไม่แต่คนสมัครสมาสามัคคีเสร็จแล้วนะพระพุทธเจ้าได้ท่งบัญญัก่อนแกกระจายจะยเด็รนราโนนบอกว่าถ้ากริสัวัดชีพวกวัดชีเนี่ย อันนี้ท่านพูดไปทนเนีย่ยหนุนคนวณว่าถ้ายังหนุนยังใช้ท่อนไม้หมอนไม้หนุนหัวหนุนเท้าอยู่ตื่นขึ้นเมื่อตะวันยังไมูุ่ไทยคือตื่นแต่เช้ามืดเมื่อนั้นใครก็ทำอันตรายแก่วัดชีไม่ได้แต่ว่าต่อไปเนี่ยพวกกษัตริย์วัตชีจะทำตัวสุคูมานสุขูมานได้วบุดี ผู้ดีแต่ผู้ดีจ้องจะตะวันสุขนอนบนที่นอนที่นุ่มนิ่มตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคือ <c oughs> ตื่นสายเมื่อนั้นแหละแว้นวัดชีจะถูกตีแต่บอกฉันใดว่าฉันนั้นขณะนี้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยยัง นอนใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและหนุนเท้าตื่นขึ้นเมื่อตะ ว, วันยังไม่ลุยังไม่ขึ้นพิสูจเหล่านั้นก็จะไป็ผู้มีความเพียรมานจักไม่ได้ช่องอันนี้ท่านท่านสอนกล้าแต่ว่าเราของเงินอย่างเดียวก็เรามานจักไม่ได้ช่องคืออันตรายมานทั้งหลายทำอันตรายไม่ได้กิเลสมานเอาอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งไม่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยแต่อนาคตเนี่ย จานอนบนที่นอนนิ่มนิ่มอันนี้เป็นคําปิดเทียะนั้นน่ะมานจากในช่องแล้วข้อนี้ผมจะบอกว่าอย่างเราเนี่ยเวลาที่เราบาเพ็ญความเพียรถ้าเราเสศสุขมากๆเนี่ยเรานั้นไม่ว่าเราจะได้มีพลังนะกินไอ้ยาโดเปนูรินีนั้นก็จะมีพลังาากัอย่าณิยังแรงยามายาอีสารพัดยากินไปกินมาแล้วมันทําลายภูมิอดทนเราจริงไหมทิง พอไปติดมาแล้วกรารเป็นคนขี้เขียจเลยใช่ไมล่ะยสิ่งเหล่านี้นะถ้าเสดอย่างไม่ยับยังมันทำลายปูบทนเราทำลายความเจริญในธรรมของเราพระพุธธทธเจ้าจึงสอนเราให้รักษาศีลแปดสลับฉากบ้างไม่ได้แปล ว, ว่าห้ามนอนที่นอนนะเราพรว่าให้ทั้งรักษาศีลแปดสลับฉากบ้างสลับเดิอนอะไรอย่างน้อยสองครั้ง เราจะได้มีถ้าเป็นแบบนี้เราต้องพูดยิ่งกว่านั้นว่าต้องไปเข้าเงื่อนฐานบ้างแล้จะจะได้ไอ้ที่นอนที่บ้านแอร์ที่บ้านทําลายความอดทนเราไม่ได้ทําลายความขยันเราไม่ได้เห็นด้วยหรืพระพุทธเจ้าไหมเห็นด้วยนะเมื่อเราก็ะสบการเราบังมองเออเห็นด้วยเราดิปล่อยปล่าละเลย ไอ้เรื่องการเสียความสุขมากจนไม่จนลืมการสร้างควงทสเนี่ยอ่อนแอเพราฉะนั้นอหารนาบริกันเนี่ยถึงลบแพ้เวียดโกงกัน อ, อย่างนี้อหารบริการเนี่ยอ่อนแอ ม, มากเพื่ออำนวความสะดวกเราถ้าจะล้มทับอาหารตายอยู่แล้วสารพัดเลยที่จะสะดวกสู้เวียดโกงไม่ได้เวียดโกงเรียงอะไรก็ได้ลบ ก, กันเลยอเมริกันแพ้เวียดกง คานี้มาว่ากันถึงว่าจริงหรือไม่นี่ผมผมถามเพื่อให้ดึงขา้าวปรบการว่าคนปฏิบัติทำวิปัสสนาแล้วหนึ่งเบื่อหน่ายในนามู้ความถือความติดในานานในตัวเองนะั่นแหละน้อยลงจริง น, นะเห็นว่าตัวเองนิ้สึกดโสวย ล, ล, ลดลงจริงหรือไม่ ในระดับอย่างที่เราทำได้้นมีสคยสยนันนิางอขคนสันบอกฉันไม่รู้แล้วไม่ได้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ลังเกียดกิเลสจริง น, นะแล้วก็ความตะกุงตะกรามเอาว่าในบุญ น, นะอไนอ้บาปที่ต้นนะอพูดถึงลดลงพัฒนาขึ้นจริงหรือไม่เช่นว่ามก่อนเ่อ้ลาหูจะมาเราต้องไปเส้นสวงบูชา เมื่อก่อนอาจจะทํานี่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม่ทำเนี่เมื่อก่อนนี่ยทำหรือมึใครเข้ามาทักโอ้นี่ดวงไม่ดีนะนี่คนต้องไปแก่อย่างงี้อย่างนี้มันเรื่องชีพของสำหลับเราไปแล้วเราไม่ได้เอาไปเรื่องสาคัญเราไม่ทําไม่ได้ไอจะทํำก็ทางพิจารณาไปตามสมควรแต่ไม่ใช่เรื่องสาระจะแล้วเพราะนั้นพถึงบทเนี่ยเระพุทธเจ้าทันถึง ในพระไตรปิฎกในทุงสอนให้คนให้ให้ให้ผู้ปฏิบัติถึงขั้นสูงเนี่ยเห็นโทษของบุญเลยครับและผลของบุญด้วยว่าเราทำเร า, เ อ, า, เ อ, าอย่าไปหวังจะไปสวรรค์เลยถ้ายังหวังไปสวรรค์อยู่ก็มันแสดงถึงภูมิธรรมยังต่ำอันนี้ต้องอธิบายดีเดนะ้๋ย่จะหาว่ากันนี่ต่ำหมายถึงต่ำในระดับบุคคลที่ท่านพูดในทรงทั้งหลายเหล่านั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จต้องก้าวเลยอันนี้ไปให้ได้แต่ถ้ามาสอนอย่างระดับหนึ่งท่านก็พูดอย่างก็ พ, พูดแล้วต้งคนรับได้คนรับไม่ได้ก็พูดไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะเพราะว่าการเห็นความเกิดของรูปเพราะเหตุอะไรจึงเบื่อหน่ายทั้งผลและเหตุ แล้วก็เห็นความดับของมันเพราะเหตุดับทีอไอ้ตรงนี้นะผมผมอธิบายต่อนิดหนึ่งว่าดับนี่มันมีสองอย่างดับยังเกิดอีกท่านเรียกว่าอุปาทานิโรธคือดับแล้วยังเกิดอีกกับอนุปาทานิโรธดับแล้วไม่เกิดอีก คำว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกในที่เนี้หมายถึงเกิดท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนี่คนปฏิบัติถึ้งยานที่สี่ในความจริงยังตัดกิเลสสมุทเทกย์อย่างได้มรรคไม่ได้ยังต้องตัวดีใช่ไหมแต่ว่าโลกเห็นเขาแล้วว่าเรานามูม่จะต้องมีอีกเพราะอาวิชชาเรายัางมีปัญหาเรายัางมีกรรมเรายัางมี แต่ไอความโน้มเอียงของจิตเริ่มจากปฏิเสธสำนึิอย่างที่ทุเยีนไม่เคยสำนึิหรือเคยสำนึกแต่ตรงกันข้ามลงไปตามส่วนหนึ่งคำพูดในคำพีก็พูดไว้อย่างนี้้วยเดี๋ยวเราดูต่อไปก็จะถึงในบทเศร ษ, ษ, ษกิจจีิงๆอันนี้คือขั้นตอนที่ผ่านไปแต่ละจุดแต่ละจุด แต่ถึงตรงนี้คนเริ่มเห็นแล้วว่าออน้ำรูปนี้ไม่ดีเกิดมาจากกรรมไม่ดีทั้งกรรมดีกรรมชั่วเกิดจากกิเลสซึ่งไม่ดีอย่างเดียวถึงว่าอย่างที่อธิบายเคย อ, อธิบายมามากแล้วนะว่าอย่างตัณหาเนี่ยในในกำมีนั่นบอกว่าเพราะบุคคลไม่รู้นั่นแหละจึงเกิดความทยานอยากอยากในอะไรคืออยากผลอยากในรูปในนาม แล้วก็หาทางว่าทำยังไงถึงความสำเร็จของการได้รูปน า, นานจะตั้งมั่นจะได้อย่างนั้นอีกจะได้โดยวิธีใดก็ขวนขวายหาขนทางกรรมวโรเกิดขึ้น่ยครับอย่างเช่นถามว่าทำไมเราถึงมีตาเนี่ยคำตอบของเจ้เจ้าง่ายมาก เพราะอยากมีตาอ้าวถามว่ามีใครเคยคิดทั้งอยากมีตามั้งก็มันมีู่แล้วมันก็ไม่ได้นึกอยากแต่ถ้าเรายึดตาหวงตาเห็นความงามนก็ตายยึดมั่นในตาใช่ไหมแล้วก็อยากดูรูป เราก็มีตาเพื่อสนองความอยากดูรูปทั้งตัวเราเนี่ยครับมันสาเร็จขึ้นมาจากความอยากของเราบรรดาลขึ้นมาและส่วนอยากและรูปแบบมันจะเป็นอะไรเนี่ยกรรมเขาเข้าไปตบแต่งเห็นทำไมบางคนถึงตาถึงอย่างผมเนี่ยผมก็รู้แต่ผมไม่อยากพูดนะเดี๋ยวจะเสียคาแนนตาทำไมยิ่งเป็นอย่างนี้ตา